พรมฐ า, านท่านท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่เป็นประจําพระนั้นเรื่องทิทีรีตองคือไม่ค่อยมีมเวลามีลูกศิษย์ลูกหาจาราท่านอาจารย์มั่นออกเที่ยวบางทีจวนมาฆ่าหรือสาอากาศอย่างนี้ท่านบอกว่าไปทาเถอะ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 สนอะไรท่านว่าการขาดสติเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ขาดลหลายๆอย่างถ้ามีสติกับปัญญาอยู่ในตัวอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรคาว่าสติปัญญาในสถานที่นี้ท่านหมายถึงสติปัญญาเพื่อระ ง, งับดับกิเลสล้วนๆท่านไม่ได้ หมายออกไปท้งโลกท่านจึงพูดอย่างนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เข้าใจกันทันที ท, ทันทีเวลาท่านแสดงทาในวันสำคัญเช่นนั้นเช่นแสดงมาคบบูชาในวันมาคะบูชาท่านก็ะยกะเอา พระรหัสันสองรอห้าองค์ขึ้นแสดงว่าท่านเหล่านี้มีเป็นพระรหัลรวนรุ่นทำวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถอุโบสถใน่าำกลางแห่งท่านภูบริสุทธิ์ร้วนร้วนแต่พวกเรานี่มีแต่คนกิเลสหนาปัญญาหยากร้วนรุนแข็ง วิสุทธิอุโบสถของพระพุทธเจ้าในวันมาคะบูชาไม่น่าละอายตัวบ้างเหรือนั่นท่านว่าท่านเอาหนักเหมือนกันถ้าละอายตัวก็ให้ทำความรู้สึกตัวอย่าประมาทอย่านอนใจสติปัญญาเป็นสิ่งสาคัญเครื่องประกอบความเพียร ม, มีสติปัญญาเป็นสาคัญอยู่ที่ไหนอยากให้เผลอสติให้มีปัญญาเสมอเราอย่าสะทุกสะทานอย่าวันไหว อยา ก, กลัวว่าจะไม่ได้ไม่ถึงนอกไปจากกลัวจะเผลอสติกลัวจะไม่มีปัญญานี่แรลคือเครื่องมือขุดค้นทำเพื่อความรู้แจ้งแจงตลอดในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือถอดถอนที่เรกออกให้หมดทันเทีในวันมาคบูชาทันเทีอย่างนีน้พวกเราเอาของ ไม่ดีมาแข่งท่านท่านดงองอุโบศตร์มีพระแต่พระอาหานล้นล้วนพันสองร้อนห้าสิบองค์เราอยู่ด้วยกันนี่มีใครเป็นพระอหานบ้างไม้มนี่แตกองกิเลสเต็มฉลาทัานหวังถ้าพระพุทธเจ้าถ้าเ ด, ดมาที่นี่มาเห็นเข้าแล้วเป็นยังไง ท่านพูดมีเรื่องขบขันแต่เพราะอรหันท่านเดินมาที่นี่มาเห็นพวกเรามาเห็นกองกิเลสเตยมสลาทท่านจะไหว ย, ยังไงเพราะท่านเบือ่อท่านเอื่มระอาท่านขายะขยงจะมากมายหวานในพวกเรากอดกันอยู่กับกิเลสนอนจมอยู่กับกิเลสไม่เห็นมีความสะดุดใจอะไรเลยไม่มีความขายะขยงเก่งจริงพวกเรานะาั่นฟัง เก่งในของไม่เป็นท่ากล้าในของไม่ดีนว่าพระอาจารย์มั่นท่านพูดอยากให้บรรดาเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังโอวาทของท่านหูแหลมคมพูดแล้วสะเทือนถึงจิตสะเทือนถึงจิตก็คือสะเทือนตัวกิเลนนั่นเองทําให้สะดุดใจสะดุดใจสลบสังเวชบางทีน้ําตาร่วงในขณะฟังท่านเพื่อมันถึงใจขนาดนั้น ท่านเทศด้วยอาด้วยธรรมจริงๆท่านไม่มีโลกเข้ามาแฝงเลยแม้จะพูดเด็ดเดี่ยวดุดาขา น, านาดไหนก็าตามมีแต่เรื่องคับกิเลสทั้งนั้นท่านไม่นำมาเอานำโลกคือกิเลสมาใช้ในวงแห่งการแสดงธรรมนั้นเลยฟังแล้วจึงน่นาสัใจธรรมะท่านแสดงที่แรกก็แผ่วเบาเสียงคยเร่งขึ้นเด้งขึ้นเด่นขึ้นเมื่อเนืเ้อธรรมก็เข้มข้นขึ้นโดยลําดับลําดับ นั่นและที่นี่มีแต่ทำรุนร้วนจ้าความเหน็ดความเหนื่อยมาจากที่ไหนแสดงไปที่รงไหนมีแต่เหตุแต่ผลมีแต่คติที่จะควนยบได้ทั้งนั้นพระอรหันต์สองรหสิองค์ท่านทัานวัท่านเสด็จพท่านมาเองพระพุทธเจ้า ไม่สรงเชื้อเชิญมาเองและเป็นเอหิพิภูุิสมประธานล้วนๆที่พระองค์ทรงบวชเองนะท่านพูดคำนี้แล้วท่านย้อนเข้ามาอีกนะหลายชั้นเนี่ยคนฉลาดนั่นท่านหมายถึงแบบเป็นเอหิพิภุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองเราจะเอนเป็นเอหิพิภูในเราทําไมจะไม่ได้พราะพระพทุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาด บวชตัวเองเขายี่ซี่ไหนท่านว่าเอหีพิคุประสันปธาเข้าที่นี่เองเอหีนั้นท้าทาอยู่ท่านจงดูที่นี่ที่นี่เรื่องสัจธรรมมาอยู่ที่ไหนนอกจากตัวของท่านทุกข์ก็กองอยู่ในตัวของท่านของเราทั้งหลายเองนะสมุทัยก็คือกองกิเลสตัวเราทั้งหมดก็คือกองกิเลสเต็มอยู่นี่จนน่ากลัวนะเมื่อไรจะผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาต่อสู้กับกิเลส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 ตัวเป็นนักบวชเวลานี้มีเพศต่างจากคารวะแล้วแต่กิเลสไม่ยังไม่หลุดลอยไปชักตัวเช่นเดียวกันทันไหวัอยากจะให้กิเลสหลุดลอยไปต้องบวชตัวเองอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สมบวตรพระองค์เองพระสาวกทั้งหลายก็บวชพระองคเองจากพระพุทธเจ้าสมบวตรให้ด้วยเองที่อุปสมบทาแล้วนั่นะทันย้อนเข้ามาน่าฟังใครถ้ายังไม่บวชตัวเองซะก่อนแล้วผ่านพ้นเปนไม่ได้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 ความจริงก็อย่างท่านว่าต้องมาบวชตัวเองเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชลึกระวาดต้องบวชตัวเองทั้งนั้นบทสุดท้ายบวชตัวเองตัดสิ่งที่เกี่ยวข้องภายในตัวเองให้หมดไปโดยลๆๆๆําดับดัๆก็กลายเป็นพระขึ้นมานี่ยเป็นพระโสดาเนี่ยเป็นพระสกิทาเป็นพระอนาคา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 เพื่จะได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มภูมิปล่อยภาระอะไรทั้งสิ้นบวชแล้วมานอนอยู่เฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับหมูน่ะตังค์เล ผ, ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็ไม่อดอยู่ในร้านตลาดพดอยากที่ไหนถ้าว่าพิเศษด้วยผ้าเหลืองอจริงๆแล้วร้านเจ็กเซเว่นพิเศษไปหมดในร้านเจ็กบรรดาใร้านทั้งหลายที่มีผ้าเหลือง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 คำว่าสมูทัยก็ไม่ใช่อารมณ์จะเป็นอะไรแสดงออกมาเป็นตัวอารมณ์นะครับปัญหาอะไรออกมาเป็นตัวอารมณ์ตัวสมูทัยแท้ก็คื อ, อวิชาคิริยาที่แสดงออกมาก็ออกมาโดยทางอารมณ์ให้เกิดความรักใคร่ชอบใจเบียดโกรธอะไรเห่านี้เป็นอารมณ์ทางนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าสมูทยัยให้อีกชื่อหนึ่ง ว่าธมมูไทยแดนที่เกิดแห่งทุกหรือแดนผิดทุกได้แก่ธรรมชาตินี้ไม่มีอันใดเป็นเครื่องผิดทุกให้แก่สัตว์โลกได้นอกจากธงมูไทยที่ขีเรียนี้เท่านั้นแล้วจะดับธมมูไทยนี้ด้วยอะไรก็ด้วยมรตสื่ยิงสมาธิปัญญา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 จะต้องแก้ได้ด้วยสติปัญญาทุกทางกายก็ประกาศกังวลอยู่ทั่วทั้งร่างทางใจก็รอบใจเพราะสมุทัยมีอยู่ภายในใจแสดงผลออกมาก็ร้อนที่ใจถ้าแสดงเหตุมากผลคือความทุกข์ก็มาก ภายในใจใจทั้งดวงก็กลายเป็นไฟทั้งทั้งกองไปได้มัดมีสมาธิสิสมาส ม, สมาโปะหรือสมาสติเป็นต้นเป็นเครื่องดับไฟเหล่านี้ด้วยความรู้เท่าทันเพื่อการบังคับเพื่อการระงับเพื่อการค้นคว้า เ, เหตุเหตุผลแล้วปล่อยวางกันไดน้นี่ท่านเรียกว่ามัด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 แต่กำหนดรู้ทุกแล้วถึงจับไ้ละสมุทัยแล้วจะเป็นบำเพ็ญมากให้เกิดขึ้นเพื่อนี้รวต จ, จะได้ดับทุกข์ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วกันทางนั้นหาทางไปไม่ได้เลยเพราะเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันการกำหนดทุก ก็กำหนดเพื่อจะให้ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นของทุกนั่นเองน่นะการเพื่อจะให้ทราบสาเหตุของของทุกคือตัวทุโมยไทยนั้นถ้าไม่ทราบด้วยสติปัญญาจะทราบด้วยอะไรนั่นะมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้และเมื่อทราบเมื่อระงับเมื่อแก้ไขกันได้มากน้อยเพียงไรคําว่าความดับทุก์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 ตามจริตนิสยัยความรู้ความเห็นการจริตนิสยัยจะรู้อย่างไรก็ตามก็คือคือรู้กายรู้สัจธรรมมันั้นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้รู้หลายข้า้งหลายหนก็เข้าใจไปเองปล่อยวางไปได้เองเที่ยวกรรมาฐานน่ะนี่เที่ยวตรงนี้ เที่ยวกมาฐานน้นก็ต้องหมายถึงตรงนี้เป็นไปเที่ยวกรมาฐานในป่านั้นในเขานี้ก็เพื่อจะพิจารณากรรมฐ า, านนี้เองเป็นจุดสำคัญคือเพื่อความสะดวกในการภาวนาที่จะได้รู้กรรมฐ า, านทั้งห้ า, าธรรมฐานกกระบะที่ตั้งแห่งงานอันเป็นงานสําคัญความีอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้อยู่ในสัจธรรมทั้งสิ้น ไป่ในป่าก็ต้องพิจารณานี้อยู่ในเขาอยู่ในที่ไหนก็ต้องพิจารณานี้พราะติดที่นี่อันนี้เป็นเครื่องปิดบงังจิตใจไม่มีความสว่างากระสังแจ้งออกมามเห็นอัดเห็นทำคือความปินที่มีอยู่รอบตัวจึงต้องอาศัยพิจารณาสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่มืดดำเหมือนอย่างเราที่ไม่เคยพิจารณากลับเป็นหินรับปัญญาเขาได้เนะพี้กให้เป็นประโยชน์ก็ได้ กายเวทนาจิตธรรมถ้าจะคิดให้เป็นการจ่งสมกิเลศขึ้นมาก็ได้จากตรงนี้ทุกตัวเราอยู่ทุกวันทุกนั่งขึ้นเวทีก่อนเราอยู่แล้วลรกอคอยเราอยู่บนเวทีทุกระยะ ท้าทายเราอยู่เสมอคือความปิดเราจะต้องฟิตตัวของเราให้พอกับกําลังของข้าศุดถ้ากําลังไม่พอก็แพ้เวลานี้กําลังก้าวเข้าสู่สงครามด้วยกันสงครามชาพยาธิมรณะนี่เป็น ส, ง, สงครามร่างโลก ถ้าชนะแล้วล้างโลกถ้าแ พ, แพ้ก็จมโลกจมอยู่ในโลกถ้ทถึงเรียกว่ากรรมาฐานเป็นงานใหญ่โตงานรื้อถอนกิเลสอาสวะงานรื้อพบรื้อชาติรื้อวัะทสงสารออกจากใจถ้าจะทำทั้งสี่ไม่เคยลงจากเวทีเว้นเสียต่ตายเท่านั้นอยู่บนเวทีคือร่างกายจิตใจเรานี้ตลอดเวลา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 จากสองภาคทางกระเจียยเ๊ยบหยอกฝาบหยอกหนามนั่นเป็นความสุขแล้วหรือนะเป็นการเตือนตัวเองผู้ใดที่จะมากล่าวเป็นคําถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้อีกมีผู้ใดนในโลกนชาสดามีเพียงองค์เดียวสอนถูกต้องแม่นยํานำธรรมนั้นเข้ามาพิจารณาดูในตัวของเราท่านสอนว่าอย่างไรบ้าง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 ต่างอันต่างเป็นความจริงแล้วก็ไม่ทะเลาะวิวาากันไม่เป็นค่าสุกต่อกันการพิจารณานี้ก็เพื่อจะให้ส ง, สงบสึกหรือให้เสร็จให้สิ้นในค่าสึกที่เรากําลังพิจารณาอยู่เวลานี้พี่คลาดูให้หมดจะทุกข์มากทุกน้อยเพียงไงเราไม่ใช่ผู้ลมจมไปด้วยทุกข์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 บึกบุกเบกิสิ่งที่จิตติดข้องหรือไปอย่างฝืดเครื่องให้มีความราบรื่นชื่นใจไปโดยลำดับพิจารณาให้ทนันกับเหตุการณ์เขามเห็นมีอะไรในร่างกายของเรานี้ก็มีแต่สิ่งที่เคยรู้ก็เห็น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 เพาทุกเป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟเป็นของร้อนถ้ามาจี้เรามันก็ร้อนถ้าไฟเป็นไฟเราเป็นเราไม่ไปเกี่ยวข้องกันแล้วไฟก็ไม่มีความหมายอะไรกับเราแล้วจะมาทําความทุกข์อะไรให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ไปจับไปต้องไฟพอจะให้เกิดความร้อนขึ้นมาตามไฟที่ร้อนอยู่แล้วนั้นถ้าติปัญญาขุดค้นเอาให้ถึงความจริงแห่งทุกข์ ให้ถึงความจริงแห่งกายกายเป็นกายทุกเป็นทุกมีรูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาเอาให้ละเอียดละออตัวทัญญานะ่ะมันคอยจะหมายมันเร็วที่สุดตัวทัญญาคอยจะหมายอยู่เรื่อยๆคอแยกออกเราเป็นกรรมการคนหนึ่งเหมือนกัน นั้นไปพันกันไม่เกิดประโยชน์แยกมึงออกนด้วยปัญญามีห้าอาการเท่านี้เนี่ยรูปคือกายเวทนาคือความทุกทุกเฉยเฉยสัญญาคือความจดจำคือความสําคัญต่างๆสังขารคือความคิดความปรุงของใจเนี่ยวิญญาณคือความรับพาดนี่เท่านี้ สำคัญที่สุดก็คือสัญญากับเวทนานี่ยสำคัญอยู่มากสติตั้งจดจ้องลงที่นี่พิจารณาที่นี่ให้ชัดเจนใจจะได้มีความมั่นคงต่อตัวเองขึ้นมาและกบอุ่นด้วยสติปัญญาของตนรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ค่าศึกก็คือสิ่งเหล่านี้เองเป็นค่าศึกต่อเราไม่ใช่อะไรถ้าพิจารณาไม่รอบพิจน า, ารู้ไม่เท่าทันก็ทุกเวทนานี่แหละ จะมาเป็นตัวทุกข์ภายในจิตใจของเราเพราะเราเอื้อมไปจับเอาหรือเราไปยึดใจอยู่ดีๆก็เลยกลายเป็นใจทุกข์ขึ้นมาแทนที่ใจจะเป็นภาชนะแห่งธรรมเลยกลายเป็นภาชนะแห่งทุกข์ขึ้นมาที่เคยฉะนั้นจึงต้องแยกออกด้วยปัญญาให้ห็นตามความจริงข้างหน้าพระพุทธเจ้า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 ท่านมีความผาสุกสมาอยู่ในท่ามกลางแห่งขันที่เป็นกองเพิงทั้งกองนั่ะเราอยู่ในกองเพิงคือทุบร้อนอยู่ในกองเพิงคือเป็นจระขันจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นน้ําดับไฟให้เป็นความเย็นขึ้นมาที่ใจทั้งตัว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 เรื่องความตายเขาไม่หวังทุนหวังกำไรกับใครเลยมันเป็นความจริงอันหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเอาตรงที่สำคัญนี้คน้นลงไปเห็นความตายอย่างชัดเจนประจักษ์ใจหมดลมที่ไหนก็ปล่อยกันนี่ยากอะไรทารตายไม่ยากเพราะการทิ้งนี่การหวงอะมันลำบากมันเป็นทุกข์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 าการแ น, นั้นเป็นของจีตวิจัยไม่ได้ทางนั้นถ้าเราไปจับไปต้องไปยึดไปถือกลายเป็นผิดได้อย่างรวดเร็วจะถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆมันไม่ได้แต่ให้เป็นโทษมันเลยวเห็นประโยชน์จะถือให้มันเป็นอะไรขันมันเป็นโทษคือความยึดถือด้วความสัมพันธมันหมายขอยงเราที่ผิดถือไปมันเป็นได้ ไรจะสว่างยิ่งกว่าใจเมือ่อขัดสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่สกโปรกทั้งหลายออกจากใจแล้วไม่ต้องบอกว่าใจจะสว่างหรือไม่สว่างสว่างขึ้นเองสามารถสนาดรู้สิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนอกเหนือจากใจไม่ไปได้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 ถึงความเกษมชำราญถ้าไม่ถึงที่จุดนี้จะไปถึงที่ตรงไหนถึงที่นี่ถึงที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปถามหาหนุนนิพพานเสียเวลาไม่ละตะคุบอะไรเงาชื่อสมมุติว่ามันอืไปกิเลสอยู่ภายในหัวใจเราเราไม่ให้ชื่นว่ากิเลสกิเลสมันยังทุกได้ทั้งวันทั้งคืนเอ้ยวันนี้ไม่สาบายเปเลยะครับยุ่งไปหมดจกนกระทั่งจะนอนไม่หลับมันจะเป็นบ้าเป็นบอยอยู่แล้วนี่เอนะ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 เวทนาเหมือนกันรู้ในจุดใดจุดหนึ่งมันก็ทราบซ่านไปหมดเนี่ยเป็นโลกวิถีเข้าใจเป็นเหมือนกันไปหมดเหี้โลกวิถีของพวกเราเอาตรงนี้โลกวิถีของพระพุทธเจ้านอกจากรูก้อย่นี้แล้วยังรู้ยังกว้างขวางลึกซึ้งปอีกมากมายเกี่ยวกับจักโลกเกี่ยวกับสภาวะธรรมทั่ ว, วไปเราไม่ใช่วิสัยอย่างนั้น ให้เหมาะกับจริตนิสัยหรือความสามารถของเราที่พิจารณาให้เป็นโลกวิถีรู้แจ้งตรงที่มันกําลังมืดๆถึงเวลานี้สิ่งได้เป็นสิ่งที่ปิดบังกําหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้ทราบชาติตามความจริงด้วยปัญญาของเราถนอมนัตถิปัญญาสมาอาภาน ะ, นะความสว่างเสมอเรื่องปัญญาไม่มีเด่แล้วอะไรที่ความมืดจะเสมอโดยกิเลสมันก็ไม่มีเหมือนกัน จึงต้องแจ้เรื่ปัญญาล้วจะตามไฟเข้าไปสอ่องอกิเลสวันนั่งค่าไม่มีเจอกิเลตัวไหนมันจะมาโง่ๆให้เราได้ตามไปไปให้มันดูเปิดไฟฟ้าขึ้นมนาะมันเห็นตัวของกิเลสกิเลสไม่ได้โง่เหมือนเดาเนียเพราะเราเพื่อทันกิเลสเราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องตามกิเลสส่องดูกิเลสเห็นทั้งหน้าทั้งตาเห็นทั้งโคตรทั้งแสบเห็นทั้ง ยางเงาเข้ามูลของมันถอนไปมาได้หมดด้วยอำนาของปัญญานี้เท่านั้นนี่ทันถึงครับเครื่องมือที่ทันสมัยก็คือปัญญาสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนธรรมะอัาาอาโลโกวุปปาดิในธรรมจักปวัตธาสูตร ญาณังวุตปานิวิชชาวุตปานิอโลโกวุตปานิยังไงจะขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่นี่ที่เคยมืดดำ น, นี่สว่างขึ้นนี่จักขุกรณีญาณกรณีอุปัชมายะอภิญญายะสัมโบ ध ายะนิบานายะสร้างวัตตินี่นี่แหละมักแตกเป็นไปเพื่ออย่างนี้ เป็นไปเพื่อความบรรลุความแต่จะรู้เป็นไปเพื่อนิดผ่านวันหนึ่งวันหนึ่งพิจารณารอบตัวอยู่นี่